เมื่อชาวขับเกวียนหงหาอาหารบริโภคเสร็จแล้วทนิยะก็สั่งเคลื่อนขบวนเกวียนเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของแคว้นวัชีอันเลื่องลือกันว่าเป็นเมืองคนงามเพราะประชาชนสนใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยแห่งการแต่งกายแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เคยทรงชี้ให้ภิกษุทั้งหลายสังเกตดูความเป็นผู้แต่งกายอย่างงดงามมีระเบียบ ของชาวกรุงไผ่าลีนั้นขบวนเกวียนเคลื่อนผ่านทุ่งนาและป่าตานไปเรื่อยๆมีกระท่อมดินมุงด้วยหญ้าเรียงรายเป็นระยะๆะะในบริเวณใกล้เคียงกระท่ำเหล่านั้นมีมะม่วงป่าซึ่งมีผลเล็กแต่ก็โดกมากสลับกับต้นกลางต้นจิกต้นเจดต้นอินทภาลำกระท่อมบางแห่งก็ตั้งอยู่เดียวโดดกลางทุ่งว่างไม่มีต้นไม้ใหญ่ในที่ใกล้เคียง เมื่อผ่านป่าตานไปไม่นานนักก็เข้าเขตบ้านพรานผู้หากินในทางหาของป่าเช่นรวงพึ่งและล่าเนื้อด้วยธนูถัดบ้านพรานไปทางด้านทิศตะวันตกมีป่าทึบแต่ทางเกวียนไม่ได้ผ่านเข้าไปในป่านั้นของมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นป่าโปรง่งมีไม้เบญจพรรณขึ้นประปรายอยู่ทั่วไป เมื่อเดินทางต่อไปอีกก็ผ่านพื้นที่อันมีลักษณะชื้นและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ก็ไม่ค่อยงอกงามนักดูคล้ายกับที่ว่างเป็นบริเวณใหญ่สิงล้อกเกวียนและกระดึงที่คอโคทำให้หมูนกแก้วฝูงใหญ่ตกใจบินขึ้นจากบริเวณนัน้นนับด้วยจำนวนพันจำนวนหมืน่นด้านขวามือของขบวนเกวียนไปไกลประมาณ15ชั่วเลุ่บาทมีหนองน้าขนาดใหญ่พอประมาณดินบางแห่ง ก็มีรอยลึกลงไปคล้ายมีใครขุดธนิยะได้ชี้แจงให้สุรเสนะฟังว่าดินในบริเวณนี้เขาเรียกกันว่าดินโป่งมีรสเค็มเป็นที่ที่สัตว์พากันมากินอยู่เป็นเนืองนิดยิ่งในเวลากลางคืนสัตว์ต่างๆจากป่าทึบจะพากันมากินดินนี้อย่างคับข้างและแล้วก็จะเลยไปกินน้ำในบ่อนั้นอันมีลักษณะคล้ายใครมาขุดนั้นก็คือที่ซึ่งสัตว์พากันมากินดินโป่ง เพราะดินชนิดนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสัตว์ป่าพอๆพอกับอาหารอย่างอื่นและพวกพรานก็มักจะมาคอยซุ่มยิงสัตว์ในบริเวณนี้เมื่อเจ้ารู้ว่าธรรมชาติของสัตว์ป่าและดินโป่งอย่างนี้แล้วพ่อจะถามเจ้าบ้างว่าในหมู่มนุษย์เรานั้นได้มีการติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนสัตว์ป่าติดการกินดินโป่งนี้บ้างหรือไม่สุรเสนะตอบว่าข้าแต่ท่านบิดาลูกคิดว่า มีสิ่งที่มนุษย์พากันติดมากมายหลายชนิดยิ่งกว่าดินป่งนั้นเป็นแต่จัดประเภทไม่ถูกเท่านั้นว่าควรจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างไรบ้างดูก่อนสุรเสนะเจ้าเข้าใจถูกแล้วมนุษย์ฉลาดมากกว่าสัตว์แต่เมื่อถึงคราวหลงก็มีเรื่อง ที่จะหลงได้มากกว่าเช่นเดียวกันพ่อจะยังไม่จัดประเภทให้เจ้าฟังแต่จะยกตัวอย่างบางเรื่องเพื่อให้เจ้าหัดจัดประเภทเอาเองต่างว่าเจ้านำภาชนะธรรมดาและภาชนะที่ทำด้วยเงินหรือทองใส่อาหารวางไว้ถ้าเป็นสัตว์มันจะไม่เลือกว่าอาหารอยู่ในภาชนะธรรมดาหรืออยู่ในภาชนะเงินทองมันจะเพ่งเล็งเฉพาะอาหารเท่านั้นมันไม่สนใจในลวดลาย หรือสีสันอนุณงามต่างๆของภาชนะที่ใส่อาหารเลยแต่มนุษย์เป็นผู้ฉลาดมากกว่าก็รู้จักเลือกได้หลายชนิดและบางคนก็พิถีพิถันมากในการเลือกนั้นทั้งทั้งที่ภาชนะงามหรือไม่งามไม่ได้ทําให้อาหารมีอะไรผิดปกติไปเลยอีกอย่างหนึ่งเรามักจะกล่าวกันว่าสัตว์ต่างๆมันโง่จึงไม่รู้จักดูหรือฟังสิ่งที่สวยงามและไพเราะทั้งนี้ ก็เพราะมนุษย์เราฉลาดที่จะหลงในอะไรๆ ไ, ได้มากกว่าสัตว์และสันเสริญความฉลาดในการหลงอะไรๆ ไ, ได้มากๆนี่แหละว่าเป็นความเจริญอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านบิดาลูกพอจะจัดประเภทได้แล้วมนุษย์ฉลาดในการที่จะหลงได้มากกว่าสัตว์ตามประตูทั้งหกที่มนุษย์ใช้ติดต่อกับโลกภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ในข้อนี้ลูก ก็ยังคลางแคลงอยู่มนุษ์นั้นถืออย่างไรอย่างไรก็ดีกว่าสัตว์เพราะจะเห็นได้ว่าทั้งทั้งที่มนุษย์มีสิ่งที่หลงหรือติดได้มากกว่าแต่ก็ยังสามารถจับสัตว์มาใช้งานได้และมีอำนาจเหนือสัตว์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วข้อนี้เองทำให้ลูกยังคิดเห็นความประเสริฐของมนุษย์อยู่ดูก่อนสุรสนะข้อที่เจ้าว่านั้นถูกแล้วมนุษย์มีทางหลงได้มากตามประตูทั้งหกนั้น ทั้งทั้งที่สัตว์ส่วนมากก็มีประตูทั้งหกเช่นเดียวกันกับมนุษย์เพราะมนุษย์ฉลาดที่จะหลงได้ลึกซึ้งกว่าและข้อที่เจ้ากล่าวว่ายังเห็นความประเสริฐของมนุษย์อยู่เพราะสามารถจับสัตว์มาใช้งานและเป็นนายเหนือสัตว์ก็นับว่าถูกต้องเช่นเดียวกันแต่พ่อจะสอนให้เจ้าคิดเป็นชั้นๆว่าส่วนที่ประเสริฐอันแท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ไหน สุรเสย์นาเอยปัจจุบันเราเป็นชาวเมืองกาสีสมมุติว่าชาวเมืองอื่นยกกองทัพมารบและมีชัยกวาดต้อนพวกเราไปเป็นทาสเป็นเฉลยของเขาได้พวกเขาก็จะรื่นเริงฉลองความมีชัยกันอย่างเอก ร, ริกจะสรุปดีเกียรติของผู้มีส่วนสําคัญในการกวาดต้อนพวกเราไปเป็นทาสว่าเป็นผู้ประเสริฐคราวนี้ย้อนมากล่าวถึงพวกเราบ้าง เราจะคิดตรงกันกับฝ่ายศัตรูหรือไม่ว่าพวกนั้นประเสริฐตรงที่ข่มเหงรังแกเราได้หรือเป็นนายเราได้เราก็คงไม่คิดอย่างนั้นคราวนี้สมมุติต่อไปอีกว่าผู้เป็นหัวหน้าของฝ่ายศัตรูนั้นเกิดเปลี่ยนความคิดแม้ชนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่กวาดต้อนใครไปเป็นทาสสั่งห้ามมิทหารฝ่ายตนข่มเหงรังแกประชาชนพยายาม ใช้ความดีชนะจิตใจของฝ่ายแพ้ให้ยอมแพ้ทั้งทางกายและทางจิตใจเช่นนี้ผู้ชนะก็จะได้รับความสันเสริญสองฝ่ายคือทั้งตนเองและฝ่ายที่แพ้ในบุคคลทั้งสองที่ชนะแล้วข่มเหงผู้แพ้กับชนะแล้วทำให้ผู้แพ้นับถือได้นี้เจ้าก็คงเห็นแล้วว่าบุคคลประเภทหลังนับว่าประเสริฐกว่าและก็ยังมีผู้ประเสริฐกว่านั้นคือผู้ที่ชนะน้าใจผู้อื่นได้ โดยไม่ต้องยําไปบนกองเลือดไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนมีหน้า น, านองน้ำตากล่าวคือเป็นผู้ชนะโดยคุณธรรมเช่นที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงชนะทุกแวนแควนอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็มีพระราชาแห่งแควนนั้นต้อนรับกราบไหว้ถือว่าเป็นมงคลที่ได้ผ่านไปยังแวนแควนแห่งตนมนุษย์เรา นับว่าประเสริฐกว่าสัตว์ก็เช่นเดียวกันย่อมประเสริฐเป็นชั้นๆมิใช่เพียงจับสัตว์มาเป็นทาตได้ก็นับว่าประเสริฐพอแล้วเพราะถ้าเพียงเท่านั้นสัตว์ที่ข่มเหงสัตว์อื่นได้ก็จะกลายเป็นสัตว์ประเสริฐไปด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงวางหลักไว้ถึงผู้ที่ประเสริฐแท้จริงว่าผู้ที่มีความรู้ดีทั้งความประพฤติดีนั้นนับว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ คราวนี้มาถึงปัญหาที่ค้างอยู่คือข้อที่ว่ามนุษย์ฉลาดยิ่งกว่าสัตว์แต่ก็ฉลาดในการที่จะหาอะไรต่ออะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งความลงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าสัตว์นั้นจะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาได้อย่างไรคาตอบปัญหานี้ความจริงก็อยู่ที่คำถามนั้นเองคือเมื่อมนุษย์ฉลาดที่จะลงอะไรได้มากกว่าสัตว์แล้วในทางตรงกันข้าม ที่มนุษย์จะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมานั้นก็คือมนุษย์จะทำลายความหลงของตนเองได้ด้วยส่วนสัตว์ต่างๆเคยหลงอยู่อย่างไรก็คงหลงอยู่เท่าเดิมตลอดระยะเวลาเป็นพันๆปีไม่เปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์ไม่เหมือนอย่างนั้นเมื่อหลงเป็นก็รู้จักหายหลงเป็นด้วยไม่ได้ยึดอยู่ในความหลงนั้นเสียทั้งหมด พ่อที่สนทนากันนั้นขบวนเกวียนได้ผ่านป่าดินเกลือไปแล้วเมื่อเดินทางต่อไปจนเย็นก็บรรลุหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนคับคั่งมีที่ขายสินค้าป่าและสินค้าในเมืองคือศูนย์กลางที่พ่อค้าชาวเมืองไพศ า, าลีนำสินค้าในเมืองมาขายแล้วซื้อของป่ากลับไปด้วยและเป็นที่ซึ่งชาวป่าชาวไร่นำของที่ตนได้มาขายหรือแลกเปลี่ยนของในเมืองไปเช่นเดียวกัน สินค้าในเมืองมีเสื้อผ้าผ้าชนะและเครื่องเหล็กมีมีดขวานเป็นต้นส่วนสินค้าป่าก็มีเขาสัตว์หนังสัตว์รวงพึ่งสีเสียดและอื่นๆธนิยะสั่งให้ขบวนเกวียนหยุดพักนาทนั้นและเนื่องจากเป็นเวลาเย็นจึงไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเมื่อจัดขบวนเกวียนตามวิธีสำหรับค้างแรมและหุงหาอาหารบริโภคกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทนิยะ ก็อนุญาตให้ชาวขับเกวียนพักผ่อนเดินเที่ยวไปในร้านตลาดได้และให้มีผู้เฝ้าเกวียนอยู่ตามสมควรสุรเสนาได้ถือโอกาสชี้ชวนสหายหนุ่มชาวขับเกวียนสองคนร่วมเดินทางเที่ยวดูหมู่บ้านร้านตลาดในบริเวณนั้นคนทั้งสได้รู้จักมักคุ้นกันเมื่อเดินทางครั้งนี้และแต่ละคนก็เพิ่งเดินทางมากับขบวนเกวียนเป็นครั้งแรกในชีวิต จึงมีความอยากรู้อยากเห็นในภูมิประเทศหมู่บ้านตัวเมืองและประชาชนในถิ่นนั้นนั้นที่ขบวนเกวียนผ่านไปเป็นพิเศษขณะที่เดินผ่านล้านปราดและบ้านเรือนอันรียงรายเป็นแถวแนวยาวมีถนนระหว่างกลางและมีตรอกซอยนั้น สุรเสนาได้สังเกตเห็นว่าการปลูกสร้างบ้านเรือนมีได้เป็นไปอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่สักแต่ว่าพอที่คนจะเข้าไปอาศัยอยู่ได้เท่านั้นบางแห่งเพียงมุงหรือบางด้วยใบไม้บางแห่งใช้ดินก่อหรือโบกไม้มียกพื้นจึงต้องใช้ตั่งหรือเตียงตั้งบนดินอีกทีหนึ่งพ้นหมู่บ้านร้านตลาดไปไม่ไกลนักมีรงดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ลักษณะที่สร้างเป็นเทบาลายัย คือที่อยู่ของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนในถินั้นร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อคนทั้งสามเดินเข้าไปพบว่าเป็นเทวาลัยจริงมีชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ภายในมีประทีปตามไว้สลัวสลวสุรเสนาฉุกคิดขึ้นว่าชรอยตำบลบ้านแห่งนี้จะไม่มีภิกษุในพระพุทธศาสนาเคยผ่านมาเป็นแท้ยังไม่มีร่องรอยใดๆที่จะแสดง ให้ปรากฏบ้างชายชราเห็นคนแปลกหน้าเดินมาดูเทวัลเช่นนั้น<ๆ>ก็กล่าวทักทายปราศัยด้วยอาการอันดีสุรเสนาจึงถามขึ้นว่าเทวัลแห่งนี้มีประชาชนมามากน้อยเพียงไรชายชราตอบว่าที่มาบูชานั้นน้อยลงแต่ที่มานำมูลเท่าไปขัดภาชนะยังพอมีอยู่เสมอเสมอคือเมื่อมีผูน้นาไม้ มาสมบูชาแล้วบางท่านก็มาเจ็บอมูลเท่าไปเจิมหน้าทาตัวด้วยเข้าใจว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ลดน้อยลงมากกลายเป็นนำไปขัดภาชนะโลหะเป็นต้นสุรเสนาถามต่อไปว่าเหตุไฉนจึงเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้น ช, ชายชราจึงเล่าให้ฟังถึงการที่ภิกษุในพระพุทธศาสนาได้เดินทางผ่านมาในต บ, บนนี้และเทศนาสั่งสอนประชาชน มีให้หวังจะได้ดีอะไรอย่างลอยๆด้วยลำพังความปรารถนาหรืออ้อนวอนวงสวงหากให้รู้จักประกอบเหตุให้เหมาะสมที่จะได้รับผลนั้นๆเมื่อท่านได้ชี้แจงบ่อยๆเข้าประชาชนปะกันเห็นจริงก็ศึกษาวิธีหาความสุขด้วยการตั้งอยู่ในศีลธรรมมีความขยันมันเพียรในอาชีพการงานและการคิดหาเหตุผลสอนใจตัวเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนบูชาขอสิ่งที่ตนประสงค์จากเทวาลัยแห่งนี้อยู่บ้างเพราะคนมากด้วยกันที่ยังเชื่ออยู่อย่างมั่นคงก็ย่อมมีเป็นธรรมดาชายชาราพูดขาดคำลงก็มีสตรีสูงอายุผู้หนึ่งเดินมาที่เทวาลายนั้น มีท่าทางทุกร้อนไม่ใช่น้อยนางถือเครื่องหอมและน้ำมันมาด้วยตรงเข้าไปนในเทวาลานั้นไม่พูดจา ก, กับใครๆภายหลังที่จุดไฟเผาเครื่องหอมและเติมน้ำมันลงในประทีพแล้วก็กราบและนั่งประคองอัญชลีพูดอะไรพึมพำอยู่คนเดียวเป็นเวลานานสุรเสนกับสหายยืนดูด้วยความสนใจเมื่อเห็นสตรีผู้นั้นเดินออกมาจะไปสู่เรือนของนาง ยึงเข้าไปทำความเคารพและชวนพูดด้วยนางแสดงความแปลกใจที่เห็นเด็กหนุ่มเหล่านี้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเจราจาไพเราะทั้งเป็นคนแปลกหน้ามาจึงแต่ถามด้วยความว่าเป็นพวกพ่อค้าเกวียนก็ดีใจจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้นางจะขอเดินทางร่วมไปกรุงไผ่ า, าลีด้วยสุรเสนาตอบว่ายินดีที่จะให้ความสะดวกและถามว่ามีธุระอะไร จึงจะเดินทางไปกรุงไผ่าลีคำถามเพียงสังส้นๆเท่านั้นกลับทำให้สตรีผู้นั้นร้องไห้เสอึกเสอื่นซึ่งทำให้สุรเสนะพร้อมทั้งสายพากันตื่นเต้นไปด้วยเมื่อซักถามถึงเรื่องที่ทำให้ร้องไห้นางจึงเล่าให้ฟังว่าลูกของฉันพูดได้เท่านี้แล้วก็ร้องไห้และเล่าต่อไปอีกว่าถูกจองจาอยู่ในกรุงไผาลีฉันจะไปเยี่ยม มันเป็นลูกดื้อไม่เชื่อฟังคําสอนฉันว่ากล่าวตักเตือนมาสักเท่าไหร่ก็ไม่สนใจบางครั้งมันกลับดูด่าและขึ้นเสียงเอ็ดอื่พูดว่ามันโตพอแล้วจะขึ้นสวรรค์ลงนรกก็ขออย่าได้ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของมันเลยครั้งหลังสุดมันถึงกับช่วยไม้คว่างฉันแต่ไม่ถูกและมันก็ออกจากบ้านไปลูกฉันคนนี้ไม่ควรจะเสียคนมันเสียเพราะเพื่อนมันชอบกินเหล้า ชอบขโมยเหมือนสัตว์ชอบกินดินเกลือในไม่ช้าฉันก็ได้ข่าวว่ามันเป็นลากของเขาและถูกจับได้ราชบัุตยังส่งตัวมันไปคุมขังในกรุงไพราลีแม้มันจะไม่รักฉันไม่เคยเคารพเชื่อฟังแต่ฉันตัดมันไม่ขาดมันเป็นลูกในไส้ก็ต้องตามส่งเสียมันไปฉันเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะรู้สึกสงสารแม่ของมันแล้วกลับใจได้พี่น้องท้องเดียวกันกับมันหลายคน พากันบ่นว่าฉันว่าลูกดีๆไม่เอาใจใส่กลับไปตามใจลูกที่เกเรและเนรคุณด่าว่าแต่ฉันช่วยไม่ได้ลูกอื่นๆเขาได้ดีไปแล้วก็ไม่ห่วงเขาส่วนลูกที่เกเรก็ห่วงมากกว่าคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นแม่เท่ามวูชาที่เทวาลัยนี้ด้วยประสงค์สิ่งไรเล่าพ่อเอ๋ยถ้ามีอะไรที่ไหนอีกที่เขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธ ฉันก็จะไปให้หมดทุกแห่งเพื่ออ้อนวอนให้โปรดลูกของฉันให้ออกจากที่คุมขังให้ได้ฉันนับถือหมดทุกอย่างที่ใครเขาว่าอะไรดีขอแต่ให้ช่วยลูกของฉันได้เท่านั้นถ้าเขาชอบกินเหล้าและขโมยเหมือนสัตว์ชอบกินเดนเกลือแล้วแม้จะพ้นโทษมาได้เขาก็คงจะต้องไปถูกจองจำอีกหรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกประหารเลยแล้วแม่เท่าจะทาอย่างไร สุรเสนถามต่อไปนั้นคอยเอาไว้แก้ไขทีหลังถ้ามันออกได้คราวนี้ข้นจะพามันไปหานักบวชที่เชิงเขาลูกโน้นบางทีจะสอนให้มันเป็นคนขึ้นมาได้บ้างว่าแล้วนางก็อำลา จ, จากไปแต่ไม่ลืมที่จะขอร้องสุรเสนะในเรื่องที่นางจะขอเดินทางร่วมไปกับขบวนเกวียนด้วย ชชราที่สุรเสนาเข้าใจว่าเป็นผู้เฝ้าเทวสถานหัวเราะเบาๆเมื่อสตรีผู้นั้นจากไปแล้วในที่สุดก็ได้กล่าวขึ้นว่าบ้านลุงไม่ได้อยู่ที่เทวาลัยนี้แต่ลุงชอบนั่งดูคนแสดงอาการแปลกๆในเมื่อมีเวลาว่างที่แม่เท่ากล่าวว่าลูกชายของแจชอบกินเหล้าและขโมยเหมือนสัตว์ชอบกินดินเกลือนั้นความจริงยังมีคนอีกไม่น้อย ที่ชอบมาอ้อนวอนที่เทวสถานแห่งนี้แบบชอบกินดินเกลือนั้นเหมือนกันบางคนมาขอร้องบนบานให้เทพเจ้าช่วยในเรื่องการพานันขอให้ฝ่ายตนชนะคราวนี้ฝ่ายตรงข้ามก็มาอ้อนวอนบ้างหรือในวันนี้มาอ้อนวอนให้อำนวยความสวัสดีแก่คนที่ชอบครั้นต่อมาไม่ช้าเมื่อเกิดไม่ชอบใจกันขึ้นมาก็เลยมาอ้อนวอนให้เทพเจ้าลงโทษ ให้เกิดความพินาศล่มจมแจกคนที่ตนเคยมาอ้อนวอนให้เจริญนั่นเองถ้าลุงเป็นเท พ, พเจ้าก็คงจะทำตามความต้องการของบุคคลในโลกนี้ไม่ไหวเพราะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและขัดแย้งกันในตัวก็มีบางคนก็อ้างว่าถ้าสิ่งที่ต้องการสำเร็จจะแจ่ บ, บนด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการเอาของเล็กแลกกับของมากถ้าเท พ, พเจ้าเห็นแจของเล็กน้อยมีอยู่ก็จะเป็นแบบอย่างให้มนุษย์เรียนแบบ เรียกเงินสินบนจากผู้ที่มาพึ่งตนหรืออีกในยะหนึ่งคือตั้งตนแทนเทพเจ้าผู้จินสินบนนั้นลุงจึงเห็นว่าการที่พระภิกษุแห่งพระพุทธศาสนาเที่ยวจาริกสั่งสอนประชาชนไม่ให้หลงงมงายเรื่องช่นนี้ยอมชื่อว่าเป็นการช่วยให้แสงสว่างใจชีวิตของคนหมู่มากเป็นอย่างดีกล่าวอย่างนั้นแล้วชยชาราก็เดินดุ่มกลับไปสู่เรือนของตน ปล่อยให้สุรเสนะกับสหายคิดนึกตามถ้อยคำเหล่านั้นไปตามลำพังขณะนั้นเป็นเวลาค่ำแล้วแต่ยังไม่มีแสงจันทร์ส่องสุรเสนกับสหายเดินกลับขบวนเกวียนในราตรีอันค่อนข้างมืดนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆในเหตุการณ์ที่ผ่านพบและได้ยินได้ฟังมา